พระพจนะของพระเจ้าซึ่งมาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมนางรูธความว่าในสมัยเมื่อภูมินิชัยครอบครองอยู่นั้นเกิดกันดานอาหารขึ้นในแผ่นดินมีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบ็ดเลเฮมในยูดาไปอาศัยอยู่แผ่นดินโมอับซึ่งตัวเขาพร้อมกับภรรยาและบุตรชายสองคนชายคนนั้นชื่อเอลีเมเลกภรรยาชื่อนาโอมี บุตรสองคนชื่อมาโลนและคิริโอนเป็นชาวเอฟราธามาจากเมืองเบตเลเฮมในยูดาเขาทั้งหลายเดินทางเข้าไปในแผ่นดินโมอับและอาศัยอยู่ที่นั่นแต่เอลิเมเลกสามีของนางนาโอมีสิ้นชีวิตเสียทิ้งนางไว้กับบุตรชายทั้งสองบุตรชายสองคนนี้ก็ได้หญิงชาวโม압มาเป็นภรรยาคนหนึ่งชื่อโอปาอีกคนหนึ่งชื่อรูธ เขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นประมาณสิบปีแล้วมาโลนและคิลิออนทั้งสองก็สิ้นชีวิตหญิงคนนั้นก็เปล่าเปลี่ยวเพราะเหตุสามีและบุตรชายทั้งสองของนางต้องล้มหายตายจากไปแล้วนางนั้นพร้อมกับบุกสะายทั้งสองก็จะเดินทางจากแผ่นดินโมอับเพราะว่าเมื่ออยู่ในแผ่นดินโมอับนั้น นางได้ยินข่าวว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์และประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายนางจึงออกจากตำบลที่นางอยู่พร้อมกับบุตรสะใภ้ทั้งสองเดินตามทางกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์แต่นาอมีกล่าวแก่บุตรสะใภ้ทั้งสองของนางว่าไปเถิดขอให้ต่างคนต่างกลับไปบ้านมารดาของตนขอพระเจ้าทรงพระเมตตาแก่เจ้าทั้งสองดังที่เจ้าได้เมตตาต่อผู้ที่ตายไปแล้วและต่อแม่ ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เจ้ามีเย้ามีเรือนขอให้ต่างก็ได้เข้าอยู่ในเรือนของสามีแล้วนางนานโอมีก็จุบสุษภัยทั้งสองต่างก็ส่งเสียงร้องไห้นางทั้งสองจึงพูดกับแม่ผัวว่าอย่าเลยเราทั้งสองจะกลับไปกับแม่ไปถึงชนชาติของแม่แต่นาโอมีตอบว่าลูกเอย๋ยจงกลับไปเสียเถอะจะไปกับแม่ทาไมเล่า แม่ยังมีบุตรชายในครันให้เป็นสามีของเจ้าหรือลูกของแม่เอ๋ยกลับไปเสียเถอะกลับไปตามทางของเจ้าแม่แก่เกินที่จะมีสามีแล้วหากแม่จะว่าแม่ยังมีความหวังอยู่ถ้าแม่จะมีสามีคืนวันนี้และมีบุตรชายแล้วเจ้าจะรออยู่จนบุตรชายนั้นเติบโตได้หรือเจ้าจะอดใจไม่แต่งงานหรืออย่าเลยลูกของแม่เอย๋ย แม่มีความขมขื่นมากเพราะเห็นแก่เจ้าที่พระหัตถ์ของพระเจ้าได้กระทำแก่แม่ถึงเพียงนี้แล้วต่างก็ส่งเสียงร้องไห้อีกโอปลาจึงจูบลาแม่ผัวแต่รู้ยังเกาะแม่ผัวอยู่นาโอมีจึงว่าดูสิพี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปหาชนชาติของเขาและหาพระของเขาแล้วจงกลับไปตามพี่สะใภ้ของเจ้าเถิดแต่รู้ตอบว่า ขอแม่อย่าวิงวอนให้ฉันจากแม่หรือเลิกติดตามแม่ไปเลยเพราะแม่จะไปไหนฉันจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนฉันจะอยู่ที่นั่นด้วยญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉันแม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่นและจะขอให้ฝังฉันไว้ที่นั่นด้วยถ้ามีอะไรมาพลากฉันจากแม่นอกจากความตายก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษฉันให้หนักยิ่ง เมื่อนาโอมีเห็นว่ารูท ต, ตั้งใจจะไปด้วยจริงๆแล้วนางก็ไม่พูดอะไรอีกดังนั้นทั้งสองนางก็พากันไปจนถึงเมืองเบตเลเฮมเมื่อนางทั้งสองมาถึงเบตเลเฮมแล้วชาวเมืองก็พากันแตกตื่นเพราะเหตุนางทั้งสองพวกผู้หญิงพูดขึ้นว่านี่นะหรือนางนาโอมีนาโอมีตอบเขาว่าขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลยขอเรียกฉันว่าม า, มาราเถอะ เพราะว่าองค์ผู้ทรงมาหิทธิฤทธิ์ได้ทรงกระทําแก่ฉันอย่างขมขื่นเมื่อฉันจากเมืองนี้ไปฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์พระเจ้าทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่าเมื่อพระเจ้าทรงให้ฉันทุกข์ใจดังนี้และองค์ผู้ทรงมาหิทธิฤทธิ์ให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้จะเรียกฉันว่านาโอมีทำไมเล่าดังนั้นนาโอมีจึงกลับมาและรูทลูกสะใภ้ของชาวโมอับก็กลับมาด้วยผู้กลับมาจากแผ่นดินโมอับ และเขาทั้งสองมายัางเมืองเบดเลเฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาลีขอเชิญผู้รับใช้ของพระชจ้าได้เิยพระชนะของพระองค์ อบพระคุณพระเจ้านะครับสําหรับโอกาสในเช้าวันนี้ที่จะได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับพี่น้องทุกท่านพี่น้องสบายดีไหมครับพี่น้องครับเราทุกคนต่างก็ทราบดีว่าครอบครัวคือหน่วยเล็กที่สุดของสังคมประกอบด้วยคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันโดยการสมรสหรือโดยทางสายโลหิตยิ่งถ้าหากว่าเป็นครอบครัวของคนไทยและคนจีนด้วยแล้ว ก็จะยิ่งมีสมาชิกมาอยู่รวมกันหลายหลายครอบครัวในบ้านเดียวกันเพราะต่างก็ยังมีความผูกพันต่อกันอยู่นั่นเองด้วยเหตุนี้ความผูกพันภายในครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากในตอนเริ่มต้นนั้นอาจจะเกิดจากใครบางคนในครอบครัวที่ได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าก่อนได้รับการฟื้นฟูแล้วชีวิตจึงส่งผลไปถึงคนอื่นๆในครอบครัว ผมได้พบอย่างนี้ว่าบางบางบางครอบครัวอาจจะเริ่มจากคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก่อนบางครอบครัวอาจจะเริ่มจากคนที่เป็นลูกแล้วก็ส่งผลไปสู่คนอื่นๆในครอบครัวแต่แน่นอนที่สุดสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนั้นไม่จะเกิดจากใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้นแต่เกิดจากความร่วมมือในการเสริมสร้างซึ่งกันและกันของสมาชิกในครอบครัวทุกๆคนด้วย พูดง่ายๆก็คือทุกคนในครอบครัวต่างก็มีความสำคัญหรือมีอิทธิพลต่อคนอื่นในครอบครัวด้วยกันไม่มากก็น้อยในเวลาที่เราพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวเรามักจะมุ่งเน้นพูดถึงเรื่องของคุณพ่อคุณแม่กับลูกเป็นส่วนใหญ่แต่ยังมีความสัมพันธ์หนึ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นลูกสะพ้ยกับแม่ผัวนั่นเอง เช้านี้ผมจึงอยากจะพาเรามาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของสะพ้ยและแม่ผัวคู่หนึ่งในพระคัมภีร์แม้ว่า น, นี่จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวและลูกสะพ้ยก็ตามแต่ละการที่เราทั้งหลายจะได้มีโอกาสเรียนรู้จักในพระวจนะของพระเจ้าในตอนเช้าวันนี้สามารถนําไปปรับใช้กับความสัมพันธ์อื่นๆในครอบครัวของเราทั้งหลายได้หัวข้อคําเทศนาที่จะแบ่งปันกับพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ชื่อว่า สตรีที่เสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวซึ่งเราได้อ่านจากพระธรรมนางรุธบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่18ไปแล้วนะครับเวลานี้ผมอยากจะเชิญชวนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอโปร่งอวยพระพรให้หัวใจของเราทั้งหลายเป็นดินที่ดีจำาพบพระพักของพระองค์ในเช้าวันนี้ขออํานวยพระพรของพระองค์ลงมาให้ใจของเราจดจ่ออยู่ที่ถ้อยคาของพระองค์เจ้า และพร้อมที่จะตอบสนองต่อพระวจนะของพระองค์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเกิดขึ้นเพื่อจะนำมาซึ่งการถวายพระเกียรติยศและสง่าราศีแด่พระนามอันยิ่งใหญ่และสูงสุดของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราขอมอบช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ทุกสิ่งเหล่านี้เรากราบทูลขอต่อพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามนพี่น้องครับ เรื่องราวของนางรูธและนาวอมีที่เราได้อ่านจากในพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้เกิดขึ้นในยุคสมัยที่พระคัมภีร์เรียกว่าผู้วินิจฉัยเอกลักษณ์หรือลักษณะของคนในสมัยผู้วินิจฉัยคืออะไรปรากฏอยู่ในพระธรรมวินิจฉัยบทที่21ข้อที่25ซึ่งกล่าวว่าในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลต่างก็ทาตามที่ตนเห็นชอบคนในสมัยนั้นนึกอยากจะทาอะไรก็จะทาอย่างนั้น พี่น้องว่าเหมือนกับไข่ครับพี่น้องผมว่ามันคงไม่แตกต่างอะไรกับคนในทุกวันนี้เหมือนกันนะครับที่เราทั้งหลายทุกคนล้วนแต่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแห่งความสนใจใครนึกอยากจะทําอะไรก็จะทําตามที่ใจของตนปรารถนาะตามที่ตัวเองคิดว่าเห็นดีเห็นชอบโดยไม่คํานึงถึงว่าสิ่งที่ตนกระทําลงไปนั้นจะมีผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างแต่ในยุคสมัยที่มีลักษณะแบบนี้นั่นเอง พระเจ้าที่ทรงปโปรดได้มีการบันทึกเรื่องราวของผู้หญิงไม่สองคนที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นแบบอย่างแก่เราทั้งหลายทุกคนในการที่เราจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราทั้งหลายทุกคนขึ้นพี่น้องครับทุกวันนี้ถ้าหากว่ามีลูกสะพ้ยคนไหนนะครับมาบอกว่าขอให้ฉันพูดถึงแม่ผัวของฉันสักหน่อยสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะคิดถึงจะคิดถึงอะไรครับก็คงจะ คิดถึงในงานในในแง่ของเรื่องที่เป็นทางลบนะครับและคงจะหนีไม่พ้นเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองคนอย่างแน่นอนแต่สิ่งซึ่งพระธรรมาังรู้ที่บันทึกไว้นั่นเองได้ทำให้เราเห็นสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งเหล่านี้ไปอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าทั้งนางรูธและนาโอมีทั้งสองคนจะเป็นหญิงไม้คือต่างก็สูญเสียสามีของเขาไปก็จริงแต่ชีวิตของเขาทั้งสองคนมีบทเรียนและแบบอย่างที่น่าสนใจสําหรับเราทั้งหลายทุกคนเป็นอย่างยิ่งในชาวนันนี้ขอให้เรามาเริ่มต้นที่ชีวิตของนางนาโอมีก่อนเราพบว่ามีแบบอย่างหรือบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากนางโอมีที่สําคัญอย่างน้อยสองประการด้วยกัน ประการที่หนึ่งชีวิตของนางนาวมีนั้นเป็นชีวิตที่เข้าใจความต้องการของคนอื่นพระกัมภีร์ในข้อที่8และข้อที่9ได้กล่าวอย่างนี้ว่าแต่นาวมีกล่าวแก่บุตรสะพายทั้งสองว่าไปเถอะขอให้ต่างคนต่างกลับไปบ้านแม่ของตนขอพระยาเวทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อเจ้าดังที่เจ้าได้กระทําต่อผู้ตายและต่อแม่ ขอพระยาเวทรงให้เจ้าพบที่พักพิงในบ้านของสามีคนใหม่แล้วนาออมีก็จูบนางต่างก็ร้องไห้เสียงดังพูดง่ายๆก็คือนางนาโอมีไม่ได้เอาความต้องการของตัวเองมาเป็นที่ตั้งหรือเป็นใหญ่เธอไม่ได้คิดถึงแต่เพียงความต้องการของตัวเธอเองเท่านั้นแต่เธอคิดถึงความต้องการของคนอื่นด้วยถามว่าเขาคิดถึงความต้องการของใครก็คือของลูกสะพ้ยทั้งสองคนของเขานั่นเอง ในพระธรรมนางรูธบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่หได้บรรยายสรุปให้เราทราบว่าแต่เดิมนั้นนางนาโอมีและครอบครัวเป็นคนยิวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเบตเลเฮมแต่เนื่องจากว่าเกิดการการอาหารพวกเขาจึงย้ายไปอยู่ที่แผ่นดินโมอาบแผ่นดินโมอาบคืออะไรครับแผ่นดินโมอาบเป็นแผ่นดินที่ถูกแช่งสาพเพราะอะไรเพราะแผ่นดินเพราะแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของลูกหลานของโลดที่เกิดกับลูกสาวคนหัวปีของตน ต่อมาอามีเมเล็กนาพสามีของดังเอามีก็เสียชีวิตลูกชายทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกับหญิงชาวโมอาบสองคนด้วยกันสะพายคนโตชื่อว่าโอราปาส่วนสะพายคนเล็กมีชื่อว่านางรูธพวกเขาอาศัยอยู่ที่แผ่นดินโมอาบนั้นเป็นเวลาประมาณสิปีด้วยกันลูกชายทั้งสองคนของดังเอามีก็ตายคงเหลือสุดท้ายก็คือมีแม่ไม่อยู่เพียงสามคนเท่านั้น ในข้อที่6จนถึงข้อที่7นั่นเองนามีได้ยินว่าพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนแผ่นดินอิสราเอลจึงตัดสินใจจะเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเบทเลเฮมอีกครั้งหนึ่งในข้อที่8นางนามีบอกสะพายทั้งสองคนบอกว่าให้พวกเขากลับไปที่บ้านเดิมของพวกเธอเพราะว่าพวกเขายังมีอายุน้อยยังสามารถกลับไปมีครอบครัวใหม่ได้พวกเขาไม่จําเป็นย่อติดตามนางกลับไปที่หมู่บ้านเบทเลเฮมแต่ประการใด ในตอนแรกปรากฏว่าสะพ้ายทั้งสองคนต่างก็บอกกับนางนาโอมิว่าพวกเขาจะขอติดตามนางนางนาโอมิกลับไปที่เบตเลเฮมแต่นาโอมิก็ชี้ให้สะพ้ายทั้งสองคนเห็นว่าการที่จะไปอยู่กับเธอนั้นอาจจะไม่มีอนาคตที่ดีสู้กลับไปบ้านเดิมของพวกเธอยังจะดีกว่านางนาโอมิไม่อยากให้สะพ้ายของตนต้องไปลำบากกับเธอด้วย เธอไม่ได้คิดถึงว่าถ้าสะพ้ายจากเธอไปนั่นเองเธอจะต้องโดเดี่ยวอยู่คนเพียงคนเดียวเมื่อสะพ้ายทั้งสองคนจากเธอไปแม้ว่าโอลปาซึ่งเป็นสะพ้ายคนโตนั่นเองจะร้องไห้แล้วก็จากเธอไปแล้วแต่นาวมีก็ไม่ได้ตําหนิโอลปาแม้แต่น้อยเธอไม่ได้พูดเนบแนมโอลปาให้รู้ฟังว่าอ้อโอลปาสู้รูดไม่ได้เนาะนะที่ยังคงอยู่กับเธอพี่น้องครับปัญหาของแม่สามีส่วนใหญ่ในทุกวันนี้คืออะไร ปัญหาอันยิ่งใหญ่ของสามแม่สามีก็คือว่าหลายครั้งเราต้องการที่จะลูกสะพ้ยเป็นแล้วก็ทำในสิ่งที่เราเองต้องการและหลายครั้งเมื่อไม่ได้ดังที่เราต้องการนั่นเองแม่สามีของหลายคนก็พยายามหาเรื่องกับลูกสะพ้ยโดยการการแกล้งต่างๆนานาทั้งแบบทางตรงและแบบทำสงคามเย็นด้วยหลายครั้งปัญหาในเรื่องนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแม่สามีและลูกสะพ้ยเท่านั้น แต่รวมถึงความสัมพันธ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นลูกเขยกับแม่ยายหรือพ่อแม่กับลูกด้วยหลายครั้งเราซึ่งเป็นผู้อาวุโสในครอบครัวมักจะมีความต้องการที่จะให้ผู้น้อยในครอบครัวทําให้ผู้น้อยในครอบครัวของเราเป็นอย่างที่ใจของเราต้องการปัญหาในเรื่องนี้นั่นเองไม่ใช่มีเฉพาะในครอบครัวเท่านั้นหลายครั้งลามเข้ามาถึงภายในคริสตจักรของพระเจ้าด้วยผมพบว่ามีผู้นําคริสตจักรหลายคนก็มีปัญหานี้เหมือนกันก็คือ พยายามจะเข้าไปแทรกแซงและทำให้สมาชิกตลอดจนคนที่อยู่รอบข้างของตนเองนั่นเองเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการให้เขาเป็นเราเรียกขบวนการนี้ในภาษาอังกฤษเรียกว่า manipulation นะครับ manipulation ก็คือการยื่นมือเข้าไปยุ่มย่ามจัดการกับสิ่งต่างๆในชีวิตของคนอื่นแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่นางนาโอมีหาได้เป็นอย่างนั้นไม่ ในข้อที่18เมื่อนาอมีเห็นความแน่วแน่การตัดสินใจของรูทที่จะติดตามเธอไปเธอก็เลยเลิกที่จะลบเลาให้รูทกลับไปที่บ้านของเธอพี่น้องครับตรงจุดนี้ผมอยากจะบอกกับเราทั้งหลายอย่างนี้ว่าแม้แต่พระเจ้าของเราก็ไม่ได้แมนิปุเลตเรานะครับพระเจ้าของเราก็ไม่ได้บีบบังคับเราพระองค์ทรงให้อิสระและเสรีภาพในการตอบสนองต่อพระองค์ด้วยความเต็มใจของเรา ทั้งนี้ก็เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างเราทั้งหลายทุกคนนั่นเองพระองค์ได้สร้างเราให้ขึ้นเป็นบุคคลเป็นเพอร์เซนหมายความว่าอะไรหมายความว่าพระองค์ให้เรามีอิสระภาพในการตัดสินใจและในการเลือกของเราทั้งหลายทุกคนพระองค์ไม่ได้บีบบังคับให้เราตัดสินใจแต่ทำตามที่พระองค์ต้องการแต่ประการใดพระองค์จะชักนําเราด้วยความรักของพระองค์ พระองค์จะรอคอยเราพระองค์จะชักนําเราด้วยความจริงของพระองค์ก็คือบอกเราให้เห็นถึงความถูกต้องและสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตของเราดังนั้นเราสามารถที่จะเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าก็ได้หรือไม่เชื่อฟังก็ได้เราสามารถเลือกที่จะใช้เวลาในการปลูกสร้างความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าก็ได้หรือจะใช้เวลาทําตามใจปรารถนาของเราได้แต่มีคําว่าแต่นะครับต้องบอกว่าแต่ แต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราเลือกและตัดสินใจไปแล้วเราจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาเท่านั้นมีคนเคยถามผมอย่างนี้ว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่สร้างเราให้ทาแต่สิ่งที่ดีหรือทำแต่สิ่งที่ถูกต้องหรือทำแต่สิ่งที่โปรงต้องการให้เราทำเท่านั้นถ้าโปรงสร้างเราให้ทำอย่างนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอย่างที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ใช่ไหมครับพี่น้องอยากให้พระเจ้าสร้างท่านอย่างนั้นไหมอยากไหมอยากเหรอ ถ้าพระเจ้าสร้างเราเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็จะบอกว่าท่านก็ไม่แตกต่างอะไรกับอะไรครับกับโลโบตัวหนึ่งนะครับกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นที่ทำตามโปรแกรมที่โปรงได้ส่งตั้งเอาไว้เท่านั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างเราเป็นหุ่นยนต์แต่พระเจ้าสร้างเราเป็นบุคคลเป็นบุญิมีอิสระและเสรีภาพในการเลือกที่จะตัดสินใจตอบสนองตอบโรงด้วยความเต็มใจของเรา ขอบคุณพระเจ้าที่นางนาวมีไม่เหมือนกับแม่สามีเป็นจำนวนมากนางมีความเข้าใจในความต้องการของคนอื่นไม่ได้คิดถึงแต่ความต้องการของตัวเองเท่านั้นด้วยเหตุนี้ชีวิตและท่าทีของนางจึงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเราทั้งหลายทุกคนในการเสริมสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราบทเรียนประการที่สองที่เราเห็นจากชีวิตของนางนาโอมีก็คือ นางนาวมีมีชีวิตที่ให้คนอื่นมองเห็นพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเธอในพระบีข้อที่1 5บหถึงสิได้กล่าวอย่างนี้ว่านามีจึงว่าดูสิพี่สะพายของเจ้ากลับไปหาชนชาติและหาพระเจ้าของเขาแล้วจงตามปี่สะพ้ายของเจ้าไปเถิดแต่รู้ตอบว่าขอแม่อย่าวิงวอนให้ลูกจากแม่หรือเลิกตามแม่กลับไปเลย เพราะแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนลูกก็จะอยู่ที่นั่นด้วยชนชาติของแม่ก็จะเป็นชนชาติของลูกและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกแม่ตายที่ไหนลูกก็จะตายที่นั่นและจะขอให้ฝังลูกไว้ที่นั่นด้วยขอพระยาเวทรงลงโทษลูกและทรงเพิ่มโทษนั้นถ้ามีอะไรมาพาลูกนอกจากความตายพี่น้องครับอย่างที่ผมได้เรียนให้พี่น้องทราบแล้วว่า นางรูธนั่นเองเธอเองเป็นคนโมอาจเป็นพง์พันที่เกิดจากโลดกับบุตรสาหัวปีของของตอนเองเธอไม่รู้จักพระเจ้าและอยู่ในแผ่นดินที่เต็มไปได้วยความแช่งสาบแต่เมื่อเราอ่านสิ่งที่รูธได้ทํานั่นเองเราอดเทียประทับใจในชีวิตของรูธว่าทําไมรูธจึงมีความประทับใจในชีวิตของนางนาวมีขนาดที่เธอพร้อมที่จะไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับนาวมีไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอก็ตาม ทำไมทำไมเธอจึงมีความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าที่นาอามีเชื่อถืออยู่นั้นโดยยอมรับพระเจ้าของนาอมีที่นาอมีเชื่อและวางใจนั้นเป็นพระเจ้าของเธอเองเธอไปเอาความเชื่อที่แน่วแน่และมั่นคงนี้มาจากไหนจากในแผ่นดินโมอาบหรือคงจะไม่ใช่แน่แน่นอนที่สดสิ่งนี้มาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากจะต้องบอกว่ามาจากอิทธิพล ของชีวิตของนางนาโอมีอย่างไม่ต้องสงสัยพี่น้องเวลาอ่านพระบีอยากให้เราสังเกตว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกเลยนะครับถึงเรื่องคําพูดคําสั่งสอนหรือคําพยานที่นาโอมีได้พูดกับรูดแม้แต่คําเดียวพี่น้องที่ว่านาโอมีพูดกับรูดไหมแน่นอนที่สดุดเธอจะต้องพูดให้รูดได้ฟังแน่นอนผมเชื่อว่าต้องพูดอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ขอ้อมีกําลังชี้ให้เราเห็นถึงอีกด้านหนึ่งก็คือเห็นถึงอิทธิพลของชีวิตและความสัมพันธ์ที่นาโอมีมีต่อนางรูทนั่นเองชีวิตของนาโอมีจึงเป็นชีวิตที่สะท้อนในคนรอบข้างโดยเฉพาะยิ่งคนที่ใกล้ชิดกับเธอนั่นเองได้มองเห็นพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเธอภาษาอังกฤษมีสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้อย่างนี้บอกว่า action speaks louder than words แปลเป็นภาษาไทยแปลว่าการกระทำเนี่ยมันส่งเสียงดังหรือพูดง่ายๆก็คือมันมีอิทธิพลมากกว่าคำพูดในกรณีของนาออมีก็เป็นแบบนี้เองแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตลอดจนความเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าของนาออมีในที่สุดได้ส่งผลไปถึงชีวิตของดังลูธอย่างไม่ต้องสงสัยพี่น้องครับอาจารย์บโลได้สอนเราว่า ชีวิตของเราทุกคนที่เป็นคริเสเตียนนั้นพระเจ้าต้องการที่จะให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนกับหนังสือของพระคิดที่จะให้คนรอบข้างสามารถอ่านได้พระทำสองโครินบทที่สามข้อที่สมฉบับหนึ่งพ็บเ็ดได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคิดซึ่งเราได้เขียนไว้ไมิใช่ด้วยน้ำหมึกแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงประชนและมิได้เขียนที่แผน่นศิลาแต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์พี่น้องครับ เรามักจะได้ยินนักเทศผูดเสมอว่าชีวิตของคริเสเตียนเราเป็นเหมือนกับหนังพระกัมเบเล่มที่เท่าไหกสิบเจ็ดเหมือนกับพระกิติคุณเล่มเท่าไรเล่มที่ห้าที่ใยัยคนทั้งปวงได้อ่านโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตของเราหนังสือนะครับถ้าเขียนไว้แล้วไม่ชัดเจนหลายครั้งเวลาอ่านสามารถขอให้เกิดความเข้าใจผิดได้ความเข้าใจผิดบางอย่างนั้นอาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่นักแต่บางครั้งอาจจะถึงความตายก็เป็นไปได้ ผมมีคำถามอยากจะถามพี่น้องนะครับที่ว่าท่านคงจะตอบได้ไม่ยากนะักอาชีพอะไรครับในโลกนี้ที่ลายมือแย่ที่สดุดท่านเก่งมากท่านเก่งมากท่านตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าหมอไม่ต้องคิดเลยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ผมยังอยู่เวรที่โรงพยาบาลตราดก็มีโทรศัพท์มาตามผมให้ไปดูคนไข้ที่ตึกนะครับพยาบาลก็โทรมาตอนประมาณตีหนึ่งบอกว่า คุณหมอคะคุณหมอช่วยมาดูคนไข้คนหนึ่งคนไข้เป็นโรคหอบหืดมาอยู่โรงพยาบาลได้3มวันแล้วกำลังหอบหืดกำลังหอบใหญ่เลยทีเดียวขอคุณหมอมาช่วยดูคนไข้ด้วยผมก็ไปที่ตึกคนไข้นะครับและเสร็จแล้วผมก็จิบหูฟังไปฟังปอดคนไข้ฟังปอดคนไข้ทําไมครับเพื่อจะรู้ว่าคนไข้คนนีนะ้มันหอบจริงหรือว่ามันหอบการเมืองกันแน่นะครับ <c oughs> ปรากฏว่าในปอดของคนไข้นั้นเขามีเสียงดัง นะครับซึ่งทําให้ผมแน่ใจว่าอ๋อหลอดลมของคนไข้เนี่ยมันตีบลงอย่างชัดเจนผมยังรู้ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยหอบจริงไม่ได้หอบการเมืองแต่ประการใดผมก็ดูรายการยาที่คนไข้ได้รับมาตลอด3ามวันที่เขามานอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับความจริงเมื่อผมประเมินตามเป็นการรักษาคนไข้ไปแล้วผมว่าคนไข้คนนี้น่าจะอาการดีกว่าที่เป็นอยู่นี้และควรจะเกือบจะกลับบ้านได้ด้วยซ้ําไป คือนั้นนะครับผมนึกยังไงไม่รู้ผมก็เรียกพยาบาลบอกว่าเออขอไปช่วยเอายาคนไข้ที่เขากินอยู่เนี่ยทุกตัวไหมผมดูหน่อยไหมผมก็เช็คยาทีละตัวนะครับกับในรายการสั่งยาของหมอที่ดูแลเขาอยู่นะครับปรากฏว่าก็มียาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าอินซีดาวซึ่งเป็นยาแก้แพ้ที่หมอสั่งแต่พยาบาลก็อ่านผิดนะครับอ่านเป็นอินเดรา อินเดราวเนี่ยมันเป็นยาที่มีผลข้างเคียงอย่างหนึ่งก็คือทําให้หลอดลมของคนไข้ตีบเล็กลงนะครับดังนั้นคนไข้คนนี้นะ่ยก็ได้ทั้งยาขยายหลอดลมแล้วก็ได้ทั้งยาที่ทำให้หลอดลมมันตีบเล็กลงไปพร้อมๆกันคนไข้จึงยังมีอาการหอบเหนื่อยอยู่นั่นเองหลังจากที่สั่งให้พยาบาลหยุดยาอินเดราวตัวดังกล่าวนี้ไปแล้ว 2-3 วันอาการคนคนไข้ก็ค่อยๆดีขึ้นและสามารถกลับบ้านได้ในที่สุด นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นว่านังเสือที่อ่านไม่ชัดก็ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและในลายนี้มีอันตรายเกือบถึงชีวิตเลยทีเดียวเช่นเดียวกันผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ว่าเราทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันหลายครั้งมีสิ่งที่มีความสำคัญมากยิ่งกว่าคาพูดที่พูดออกไปของเราด้วยซ้ําไปนั่นก็คือคาพยานจากการดาเนินชีวิตจริงของเราต่อหน้าสมาชิกคนอื่นในครอบครัวนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดที่เรามีต่อคนในครอบครัวสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลทําให้เขาสามารถมองเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราหรือเปล่าพี่น้องครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสในพระธรรมมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สิว่าทํานองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนตั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทําพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ พี่น้องครับแบบอย่างชีวิตของเราสามารถส่งเสริมสามารถส่งเสริมให้คนในครอบครัวของเรามีความเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าก็ได้ในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่ออกจากชีวิตของเราก็สามารถบันทอนความเชื่อของสมาชิกคนอื่นในครอบครัวของเราไม่แพ้ด้วยเหมือนกันนะครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ชีวิตของท่านปรากฏต่อหน้าคนทั้งปวงเป็นอย่างไรบ้าง เม่่าจะเป็นคนในครอบครัวของท่านเองไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคริสียนในคริสจักรหรือว่าต่อหน้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในโลกนี้ก็ตามเมื่อมีคนมาสัมผัสกับชีวิตของท่านไม่ว่าจะโดยทางหนึ่งทางใดจะโดยการสนทนากับท่านด้วยคําพูดของท่านการแสดงออกในท่าทีต่างๆในชีวิตของท่านหรือการประพฤติปฏิบัติต่อจนพฤติกรรมต่างๆในชีวิตของท่านท่านกําลังมีชีวิตเหมือนกับนางนาโอมีหรือไม่ ที่ทําให้คนรอบข้างมาสัมผัสกับชีวิตของเขาแล้วพากันยกย่องสรรเสริญพระเจ้าหรือคนเหล่านี้พอสัมผัสกับชีวิตของเราแล้วก็ร้องยงร้องว่าไม่ไหวนะแล้วก็พากันเบือนหน้าหนีจากชีวิตของเราไปพี่น้องครับวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งที่พระเจ้ายัางให้เรามีชีวิตในโลกนี้ตราบเท่าถึงทุกวันนี้ที่ท่านมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้ไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญ น, นะครับพี่น้อง พระเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเราจะสํำแดงองค์พระเยซูคริสต์เพื่อเราจะสำแดงพระเจ้าและพระลักษณะของพระองค์ให้คนอื่นได้มองเห็นเพื่อเป็นสื่อที่จะนําคนให้มาถึงความรอดดังนั้นอย่าลืมภา ร, รกิจอันสําคัญอันนี้เสียเพื่อเราจะพึ่งพระเจ้าในทุกวิถีทางเพื่อทุกคนที่มาสัมผัสกับชีวิตของท่านจะได้มองเห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของท่านอย่างชัดเจนนั่นก็คือแบบอย่างทั้งสองประการ ที่เราได้เห็นจากชีวิตของนางนาโอมีนั่นเองขอให้เรามาพิจารณาชีวิตของนางรูทบ้างบทเรียนที่โดดเด่นจากชีวิตของนางรูทก็คือชีวิตของนางรูทเป็นชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยความเชื่อข้อที่16ถึงข้อที่17กล่าวอย่างนี้ว่าแต่รูทตอบว่าขอแม่อย่าวิงวอนให้ลูกจากแม่หรือเลิกตามแม่กลับไปเลย พราะแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนลูกก็เดยว อ, อยู่ที่นั่นด้วยชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกแม่ตายที่ไหนลูกจะจะตายที่นั่นและจะขอให้ฝังลูกไว้ที่นั่นด้วยขอพระยาเว์ทรงลงโทษลูกและทรงเพิ่มโทษนั้นถ้ามีอะไรมาภาคลูกจากแม่นอกจากความตายอย่างที่ผมได้เรียในให้พี่น้องทราบมาตั้งแต่ต้นแล้วว่า แผ่นดินโมอาเป็นแผ่นดินที่ถูกแช่งสาบเพราะเป็นลูกหลานของโลดที่เกิดจากลูกสาวคนโตของเขานางรูดเองเป็นคนโมอาเป็นพงพันธุ์ที่เกิดมาจากโลดและก็บุตรสาวของตนเองนั่นเองเธอมาอยู่ในแผ่นดินที่ไม่รู้จักพระเจ้าและอยู่ในแผ่นดินที่เต็มไปได้วยความแช่งสาบแต่ทำไมเธอถึงมีความเชื่อที่แน่วแน่และมั่นคงเช่นนี้แน่นอนที่สุด สิ่งนี้นั่นเองต้องมาจากอิทธิพลของชีวิตของนางนาโอมีอย่างไม่ต้องสงสัยนางนาโอมีต้องไม่เพียงแต่เล่าเรื่องของประเจ้าให้รูดได้ฟังเท่านั้นแต่เธอยังมีแบบอย่างชีวิตที่ยืนยันถึงความเชื่อของเธอที่มีอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเพราะเหตุนี้จึงทำให้ชีวิตของรูดนั่นเองมีความเชื่อเพิ่มทวีมากขึ้นในชีวิตของเขา ความเชื่อสําคัญไหมครับในพระธามฮีบรูบทที่สิ็ข้อที่หกล่าวว่าเพราะถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอประทายเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบําเหน็จให้แก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์เพราะฉะนั้นชีวิตของดังรูธจึงเป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงพอประทายเพราะอะไรครับเพราะชีวิตของดังรูธนั้นเปี่ยมล้นด้วยความเชื่อ มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อนางรูธมีความเชื่อในพระเจ้าแน่นอนที่สุดต้องมีผลตามมาแน่นอนอย่างน้อยที่สุดเราพบว่ามีสามสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของนางรูธก็คือหนึ่งเธอมีการตัดสินใจที่แน่วแน่และมั่นคงข้อที่สิบสี่ตอนท้ายแม้ว่านางนาโอมีจะบอกให้สะพายทั้งสองคนกลับบ้านไปแต่นางรูธยังคงยืนกรานที่จะอยู่กับนางนาโอมีแม้ว่าโอลปาสะายคนโตนั่นเองจะตัดสินใจกลับบ้านเดิมของเธอไปแล้ว แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ส่งผลให้เธอเปลี่ยนการตัดสินใจของเธอแต่ประการใดนั่นแสดงว่ารูธมีความมีการตัดสินใจที่แน่วแน่และมั่นคงอันเกิดจากความเชื่อของเขาในพระเจ้าสิ่งที่สองก็คือเธอตัดสินใจด้วยความกล้าหาญทำไมจึงบอกว่านางรูธตัดสินใจด้วยความกล้าหาญเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูธไม่เคยไปแผ่นดินอิสราเอลมาก่อนรูธไม่เคยไปหมู่บ้านเบตเลเฮมมาก่อนเลย เธอไม่รู้ว่าที่แผ่นดินอิสราเอลจะเป็นอย่างไรที่หมู่บ้านเบตเลเฮมจะเป็นอย่างไรแม้ว่าเธ อ, อยังเธอก็ไม่แน่ใจว่าเธอกลับไปหมู่บ้านเบตเลเฮมแล้วคนในเมืองเบตเลเฮมนั้นจะต้อนรับเธอหรือไม่เธอจะต้องไปประชิญกับอะไรหรือเปล่าคนในเมืองจะใหการยอมรับเธอหรือเปล่าและคงยังมีคําถามอื่นอื่นอีกมากมายที่เธอไม่สามารถหาคําตอบได้แต่นั่นไม่ใช่เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเธอมีการตัดสินใจที่กล้าหาญ พร้อมที่จะไ ป, ปะเผชิญกับทุกสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเองเธอจึงมีความกล้าหาญในการตัดสินใจเพราะอะไรครับเพราะเธอมีความเชื่อในพระเจ้าผู้เที่ยงแท้นั่นเองสิ่งที่สามที่เกิดขึ้นในชีวิตของนางรูทก็คือเธอตัดสินใจด้วยความเสียสละด้วยคือยอมทิ้งอนาคตของตนเองติดตามแม่สามีกลับไปที่หมู่บ้านเบตเลเฮม ถ้าเธอกลับไปที่บ้านเดิมของเธอเธออาจจะสามารถแต่งงานใหม่แล้วก็มีครอบครัวและมีงานมีการและก็มีมัน่นมั่นคงในชีวิตแต่นี่เธอกลับทิ้งทุกสิ่งเหล่านี้ด้วยความเสียสละเพราะอะไรเพราะเธอมีความเชื่อในพระเจ้าผู้มั่นผู้ทรงประชนันอยู่นั่นเองความเชื่อเราเห็นไหมครับพี่น้องฮัลโหลท่านยังอยู่ไหม <laughs> ความเชื่อเห็นไหมครับความเชื่อไม่เห็นพี่น้อง แล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับความเชื่อของเราเป็นความเชื่อแท้หรือไม่แท้นะครับนี่ครับความเชื่อที่แท้จริงจะต้องผ่านการทดสอบพี่น้องในพระระัมหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อ6ถึงข้อ7ได้กล่าวอย่างนี้ว่าในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆเพื่อการลองดูความเชื่อของท่าน อันประเสริญยิ่งกว่าทองคําซึ่งแม่เสียไปได้ก็ยังถูกทดลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญศักดิ์ศรีเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่เคยเป็นนักเรียนนักศึกษามาก่อนนะครับเวลาที่ท่านเวลาที่เราเป็นนักเรียนนักศึกษายังไม่ถึงเวลาสอบทุกคนเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีความแตกต่างกันมีนักเรียนบางคนนะครับแม ฟอร์มดีมากต้องบอกว่าฟอร์มดีมากเก่งคุยอย่างนอนคุยอย่างนี้นะครับได้สารพัด ส, สารเพย์ค่องแคล่วนะครับบางคนอาจจะเที่ยวไปสอนคนอื่นไปติวคนอื่นนะครับแล้วก็ให้แนะนําให้คนอื่นทําหลายสิ่งหลายอย่างแต่จะมีเวลาหนึ่งะครับที่ชีวิตของนักเรียนนักศึกษาทุกคนจะต้องพิสูจน์ว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างที่เขาพูดหรือไม่ซึ่งไม่มีนักเรียนคนไหนสามารถหลบหลีกได้นั่นก็คือเวลาแห่งการทดสอบนั่นเอง ความเชื่อของนางรูธก็ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกันเธอไม่ได้เพียงแต่ตั้งใจว่าจะติดตามนางนาโอมีเธอไม่เพียงแต่จะสัญญาจะติดตามนาโอมีกลับไปที่หมู่บ้านเบตเลเฮมเท่านั้นแต่เธอได้กระทําตามที่เธอได้ตัดสินใจและสัญญาไว้กับนางนาโอมีด้วยในทำนองเดียวกันนะครับความเชื่อในชีวิตของคริสเตียนเราทั้งหลายทุกคนนะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องผ่านการทดสอบด้วยเช่นเดียวกัน ก่อนที่การทดสอบมาถึงเราไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างกันได้แต่เมื่อการทดสอบมาถึงทุกคนจะปรากฏโฉมหน้าที่แท้จริงอย่างหนึ่งปรากฏออกมาเล่ากันว่าสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีตอนช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีการออกระเบียบว่าข้าราชการทุกคนจะต้องเป็นพุทธศาสน ก, กชนในเวลานั้นผู้ใหญ่หลายคนเล่าให้ผมฟังบอกว่า มีคุเสเซียนหลายคนรวมทั้งผู้นำคดีจักรด้วยนะครับก็มาเซ็นใบลาออกจากการเป็นคดสเตียน <c oughs> ขอลาออกจากการเป็นคดสเตียนชั่วข้าวนะครับยอมละทิ้งความเชื่อเพียงเพื่อรักษาตำแหน่งหน้าที่การงานเอาไว้สิ่งที่ผมพูดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพี่น้องพี่น้องครับเราทุกคนกําลังอยู่ในวาระสุดท้ายของโลกนี้คดีเสียนก็ไม่อาจจะหลีกหนีจากการทดสอบและการข่มเหงเช่นเดียวกันด้วย ความดีจึงหนุนใจเราว่าในเมื่อชีวิตของเราต้องพบกับการทดสอบก็ขอให้เรายังคงชื่นชมยินดีเพราะการทดสอบความเชื่อของเราเป็นเหมือนทองคําที่ผ่านการทดสอบด้วยไฟทองคําที่แท้จริงนะครับจะไม่กลัวไฟถูกไหมใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเผามันสักกี่ครั้งกี่หนก็ตามจะยังคงเป็นทองคําไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความเชื่อในชีวิตของคริสเตียนเราก็เหมือนกันความเชื่อที่แท้จริงก็ไม่กลัวการทดสอบ ไม่กลัวความทุกข์ยากลําบากเหมือนกันแม้จะผ่านการทดสอบสักกี่ครั้งก็ตามก็ยังคงเป็นความเชื่อแท้ตามเดิมทองคํายิ่งผ่านการเผาการหล่อหลอมก็ยิ่งทวีความบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเจือปนสิ่งจกปกจะถูกแยกออกมาจากทองคํากลายเป็นทองคําเนื้อบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆความทุกข์ยากลําบากในการทดสอบที่มีต่อความเชื่อของคข้าเสียนก็ยิ่งทําให้ความเชื่อในชีวิตของเรามีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น ยิ่งทําให้เรามีความมั่นคงในพระเจ้ามากขึ้นดังนั้นวันนี้เราทุกคนต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมที่จะพบกับการทดสอบอยู่ต่อเตลอดเวลาและมองการทดสอบที่จะผ่านเข้ามาถึงชีวิตของเราว่าเป็นสิ่งที่จะเสริมสร้างและขัดเกลาให้เรามีความเชื่อที่มั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อเราจะพร้อมที่จะร่วมรับสง่าราศีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายคนจะถามต่อไปบอกว่าแล้วความเชื่อของเราจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างไร พระธรรมโรมบทที่สิบข้อที่สิบเจ็ดได้กล่าวอย่างนี้ว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคิตเพระวัชนะของพระเจ้าในข้อนี้ได้ชี้ให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วความเชื่อในชีวิตของเคยเสียนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่ว่าท่านมาโบสถ์นานๆเข้าท่านเชื่อพระเยซูนานๆเข้าความเชื่อก็จะมากทวีมากยิ่งขึ้นไม่ใช่อยู่ดีๆก็เกิดสิ่งเหล่านี้แต่ความเชื่อเกิดจากอะไรครับ ความเชื่อเกิดจากการที่เราน้อมรับพระคําของพระเจ้าเมื่อเราฟังคําเทศนาก็ดีแล้วเปิดใจของเราออกยอมรับพระคําของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระบีที่บ้านศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระคําของพระเจ้าชี้ให้เราเห็นความบกพร่องในชีวิตของเราเราพร้อมที่จะน้อมรับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งอาจจะมาทางใดก็ตามแล้วดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้านั้นพี่น้องครับทุกวันในการติดตามและปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าของท่าน ท่านอยากมีความเชื่อและไว้วางใจในพระสัญญาของเจ้ามากยิ่งขึ้นไหมยอยากไหมครับพี่น้องอยากถ้าท่านต้องการท่านต้องหันกลับมาถามตัวของท่านเองว่าท่านได้ลงทุนลงแรงในการรับรู้เรียนรู้ความจริงจากพระวจนะของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนผมมักจะพูดหยอกล้อ ก, กับคริสเตียนทุกวันนี้บอกว่าผมอิจฉาคริสเตียนในทุกวันนี้เป็นอย่างมากเพราะอะไรพเพราะคริสเตียนทุกวันนี้เนี่ยได้เปรียบคริสเตียนในยุค ก, ก่อนๆเป็นอย่างมาก พี่น้องทราบไหมครับว่าตอนที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่เมื่อประมาณเกือบ50ปีมาแล้วสมัยนั้นพระครรัมภีร์ภาษาไทยมีเพียงฉบับเดียวเท่านั้นก็คือฉบับของสมาคมพระคัตภีรมไทยแลมเป็นฉบับที่แปลเก่าแล้วก็เราเลิกใช้ในทุกวันนี้แล้วนอกจากนี้ในสมัยก่อนนั้นเองหนังสือวรรณกรรมคริสเตียนที่แปลเป็นภาษาไทยก็มีน้อยมากๆ ม, มีอาจารย์พระคัมภีรมบางท่านเช่นอาจารย์ทอดปฏีประเสณิญเป็นต้น ลวงทั้งมิชรณนีบางท่านได้ลงแรงในการแปลหนังสือนอกนั้นก็มีแร่งที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าน้อยมากทีเดียวแต่ทุกวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระคั ม, มภีร์ภาษาไทยหลายหลายฉบับด้วยกันตั้งแต่ฉบับปี1971นะครับซึ่งเรายังใช้กันอยู่นะครับมีพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์แม้ว่าจะไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็มีใช้อยู่ในที่บางแห่ง มีฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยล่าสุดตอนนี้มีพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานของสมาคมนะครับปี2011ออกมาด้วยนอกจากนี้ทุกวันนี้ยังมีหนังสืออาธิบายภาษาไทยนะครับคอมเมนตรี่ภาษาไทยเช่นฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยอย่างนี้เป็นต้นมีฉบับชีวิตครบบริบูรณ์นะครับพี่น้องมีฉบับส t u d y b i b l บเบ v ด้วยนะครับซึ่งแจกให้กับทุกคน ไปร่วมที่ไปร่วมงานของเกษ 7.5 นะครับนอกจากนี้ยังมีหนังสือวรรณกรรมครืสเซียนอีกมากมายนะครับถ้าท่านเดินเข้าไปที่ร้านประเสริฐธนาคารหรือร้านหนังสือที่โรงพยาบาลกรุงเทพเคืสเซียนนะครับก็จะมีหนังสือหลากหลายมากมายเลยทีเดียวเฉพาะ ก, กระหนกรนาคารที่เดียวที่ผมเป็นสมาชิกอยู่นะครับผมก็อ่านแทบไม่ทันอยู่แล้ว มีทั้งคู่มือศึกษาบันบีแบบสำรวจประกำปีคุณจะเจาะเป็นเล่มๆคุณจะเอาทั้งเล่มทั้งพันธสัญญามีนะครับตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทรัพอากรหรือแหล่งทรัพยากรทางด้านพระธรรมสาหรับเราทั้งหลายมากมายถึงขนาดนี้ผมต้องถามท่านว่าวันนี้ท่านได้ตอบสนองต่อการจัดเตรียมของพระเจ้าที่ประทานให้กับชีวิตของท่านแค่ไหน อย่าไปฟังเสียงที่มักจะป้อนเข้ามาในความคิดของเราไม่รู้ท่านเคยได้ยินเสียงนี้ไหมเคยได้ยินไหมครับเคยไหมไม่เป็นไรอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ยิงหนังสือที่เราซื้อแล้วโอ้ยอยู่ในอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในตู้ของเราอยู่แล้ว <laughs> พี่น้องครับผมจะบอกกับท่านว่า น, นี่ไม่ใช่เสียงของพระเจ้านะครับเมื่อไหร่ที่ท่านได้ยินเสียงนี้ท่านต้องปฏิเสธเสียงนี้เพราะเสียงนี้มาจากใครมาจากศัตรูของเรา พอาอพระธรรมอาโมสบทที่8ข้อที่11เได้เตือนเราอย่างนี้ว่าพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาก็มาถึงเมื่อเราจะส่งทุก ป, ปิกกะัยมาที่แผ่นดินไม่ใช่การอดอาหารหรือการกระหายน้ำแต่จะอดฟังพระวจนะของพระเจ้าเราไม่รู้นะครับอนาคตไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสประชุมกันอย่างนี้อีกนานแค่ไหนไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสมีพระคัมัีพีอยู่เป็นสมบัติส่วนตัวของเราอีกนานมากน้อยแค่ไหน เพราฉะนั้นพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราให้รีบฉวยโอกาสลงทุนลงแรงในการศึกษาพระคําของพระเจ้าและพึ่งโปร่งทุกวันในการดําเนินชีวิตตามพระคําของพระเจ้าเพื่อเราจะมีความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าแล ะ, ะสัญญาของโปร่งทุกอย่างในทุกย่างก้าวเท้าที่เราดําเนินไปผมเคยได้ยินคุณสเตียนหลายคนก็พูดอย่างนี้บอกว่าโอ้ผมอยากจะมีความเชื่อฉันอยากจะมีความเชื่อ พี่น้องครับวันนี้พระ ว, วนจนะของพระเจ้า ว, วางอยู่ต่อหน้าต่อตาของเราทั้งหลายทุกคนเรามีทั้งโอกาสมีทั้งเสรีภาพที่จะศึกษาพระคําของพระเจ้าอีกครั้งหนังสือคู่มือต่างๆก็มีอย่างมากมายด้วยแต่เราต้องถามใจของเราในเช้าวันนี้ว่าเราได้ช่วยโอกาสอย่างนี้ไว้มากน้อยสักแค่ไหนอย่ารอจนทั่งวันหนึ่งเมื่อไม่มีโอกาสอย่างนี้แล้วมานั่งนึกเสียดายในชีวิตของเรา เราได้ลงทุนลงแรงในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าสักแค่ไหนในชีวิตของเราผมอยากจะจบคำแบ่งปันในเช้านี้ด้วยการเล่าตัวอย่างหนึ่งให้พี่น้องฟังพี่น้องอยากฟังไหมครับอยากฟังเนาะพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินไหมไอยุ่นเนาะไอยุ่นเป็นคาที่คนเราคนไทยเนี่ยมักจะเรียกคนญี่ปุ่นสมัยก่อนเพราะอะไร เพราะคนญี่ปุ่นมักจะเป็นไงตัวเตี้ยพี่น้องจากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์เราพบว่ามีสองอย่างนะครับที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของคนนั่นก็คือการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าอย่างครบถ้วนประเทศญี่ปุ่นได้มีการล้นนรงอย่างจริงจังในการให้อาหารอย่างเพียงพอส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนนะครับตั้งแต่ในชั้น อนุบาลประฐมศึกษาจนกระทั่งถึงมหาวิทียร์เยเขาทำมาเป็นเวลา30ปีแล้วพี่น้อง30ปีให้หลังเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับโอ้โหคนญี่ปุ่นไม่ได้เตี้ยเหมือนยังสมัยก่อนนะครับดีไมด่ดีอาจจะสูงกว่าคนไทยด้วยซ้ำไปพี่น้องครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าความรู้ของชาวญี่ปุ่นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยจะไม่ก่อให้เกิดผลหรือการเปลี่ยนแปลงเลย ถ้าไม่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังในชีวิตของเราและต้องเย็นเน้นย้ำว่าไม่ใช่แค่วันสองวันแต่อาจจะกินเวลาหลายหลายปีด้วยกันแต่ในที่สุดผลที่น่าชื่นใจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคริเสเตียนไทยเรารู้มานานมากแล้วล่ะลุงนะครับว่าพระวจนะของพระเจ้ามีความสำคัญมีไหมมีคริเสเตียนไทยรู้มานานแล้วว่าพระวจนะของพระเจ้ามีประโยชน์ คิสเซนไทยรู้มานานแล้วว่าพระวจนะของพระเจ้าช่วยสร้างเสริมความเชื่อของคริสเตียนให้จำเริญขึ้นพี่น้องครับแต่ความรู้เหล่านี้ถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังเราไม่ลงทุนลงแรงในการศึกษาอย่างแท้จริงความรู้ของเราก็ไม่มีประโยชน์อันใดเหมือนกันนอกจากนี้เรายังต้องมีความอดทนมีความมานะบักเบียบักบันภาคเพียนไม่ใช่แค่วันสองวันหลายคนพออ่านพระบีไม่เข้าใจสองวัน2 อ, อ, อาทิตย์ โอ้เบื่อไม่เอาไม่เอาไม่ศึกษาพี่น้องครับท่านมาที่ครินสจักรมีอาจารย์ไหมมีครับท่านจดใส่กระดาษมาถามอาจารย์ถ้าท่านจดใส่กระดาษมาถามอาจารย์อาจารย์จะดีใจมากรู้ว่ามีคริสเสตียนสนใจนะครับพี่น้องถ้าท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจไปร้านหนังสือคริสเตียนมีหนังสือคอมเมนต์รี่มีหนังสืออธิบายพระคำพีเป็นเล่มๆ เ, เลยก็มีเป็นหัวเรื่องเลยก็มีพี่น้องครับอย่าท้อแท้ในจิตใจของเรานะครับ ถ้าเรายอมลงทุนลงแรงเหมือนคนญี่ปุ่นลงทุนลงแรงและรอคอยด้วยความหวังในที่สุดก็จะได้เห็นผลชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ท้อใจเราจะได้เห็นผลอย่างแน่นอนอเมร์ไหมครับพี่น้องเพราะเปะโลได้พูดกับเราในพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อที่เบอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนในเช้าวันนี้ที่ได้ยินพระคําของพระเจ้าที่จะลงมือลงทุนลงแรงในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและก็ดําเนินชีวิตตามพระคําของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราจะไม่เพียงแต่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกคนอื่นในครอบครัวของเราเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นจะทรงอิทธิพลที่ดีต่อเขาเหมือนอย่างชีวิตของนางรูธและนางอมนาโอมีเพื่อความผูกพันในครอบครัวของเรา จะเพิ่มทวีมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นครอบครัวที่มีความแข็งแรงเข้มแข็งและเต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอํานวยพระพรกับเราทั้งหลายทุกคนในวันที่ระลึกถึงสตรีนี้จะขอให้แบบอย่างจากชีวิตของนางรูษและนางนาโอมีเป็นสิ่งที่ท้าทายเราทั้งหลายในการที่จะเจริญรอยตามเขาทั้งสองในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่โปร่งให้อิสระและเสรีภาพกับเราในการศึกษาใข้ควรพระคาของพระเจ้าขอวาอวยพรพระวจนะของพระองค์ที่จะเกิดผลในชีวิตของเราขอวาอวยพรเราที่เราจะไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟังพระคำของพระเจ้าแต่ทั้งผู้กล่าวและผู้ฟังจะกลับกลายเป็นผู้ที่ประพฤกปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยเราขอถวายเกียรติยศทั้งสิ้น